การแผ่เมตตามีประโยชน์มากปอญญาโยมมาจเจริญกรรมาฐานทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เรามีเมตตาในใจทำจิตใจดีดจิตใจเป็นกุศลแล้วเราก็แผ่เนี่ยจากความดีของเราเนี่ยไปให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายไม่กลายตัวเรานั่นแก่ได้แก่บิาดามดาปู่กระยาตากระยายต้องได้รับ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 เป็นใกล้ได้เลยพูดก็เป็นแปลได้เลยพูดก็ฝลัง่งเนี่ยมาตั้งที่เขาแค่หา้าหกขว บ, บ, บสามารถพูดภาษาจีได้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อพ่อแม่เขาบอกว่าเน่เรียนแค่นี้รัตถถมทำไมเป็นลา่ามได้ทุกอย่างก็พี่สาวก็น้องสาวห่าง ก, กันที่ผ้าปีหนูไมอาย อนที่ปี่สาวคนโตเกิดมาเนี่ยอักษรสีหนูมา ย, ยังเป็นอกเตร์อยู่ลาดวัวหิงตันเนี่ยกวจะตายจะที่มันมาเกิดมันก็ต้องห่างกันิบห้าปีเป็นอกเตร์แล้วเกิดแล้วภาษาอังกฤษมันก็ออกมาเพียงจะดูคนเดียวจำได้เพลงร้องได้เมื่อกี้บอกสอง้เพลงเนี่ยสอง้เพลงพิษสองสามภาษา แล้วดนตรีไทยทีแล้วน้าได้แล้วบอกหลานลุงปูต้องไปเป็นดนตรีไทยลูกสาวปีนดาแม่ปมมฐมสี่แท้ๆนี่ขายผ้าเผาระขายดิบระิลูกสาวคนโติปญาโน ท, ทำงานลวงปลูลูกชายต่อดอกเตอร์สหรัฐอเมริกาจะจบแล้วลูกสาวคนที่สามกำลังต่อเมียโทรและทำงานแบงค์ชาติลูกสาวคนที่สี่จบธรรมศาสตร์ ลูกชายคนที่ห้านังจะเ็นทาสอะ่ะเล้คนเดียวแม่ปฐมสี่แท้ๆตั้งเหตุใดจึงฉลาดแม่นางกรรมฐ า, านทุกคืนไม่เคยขาดขายผ้าพี่พาหุรไม่ลูกค้าต่างประเทศมาซื้อมากมายสวดพาหุมากาแล้วก็ น, นางกรรมฐ า, านกลับไปบ้าน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 ไปฝึกซีแบงชาติผู้อํานวยการกองไปผู้หญิงเกิดทอใจและชอบพาไปหาผู้บาคคลแบงฌาดผู้บาคคลกระซิบถามผู้หหน้ากองมีตาแหน่งว่างไหมมีตาแหน่งว่างอยู่ตําแหน่งเนีย่ยเนี่ยไม่ต้องสมัครญาติชาไวบุรีใน อ, อานาจบุญกุศลจําำว่าหน้ากองก็ไม่ได้เป็นญาติกันไม่มีเส้นกระสาบนบรรจุแบงฌาดไปเลย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 ยี่สิเพลงลาลุงปู่หลวงตาวันนี้ต้องเป็นดนตรีไทยเราชอบดนตรีไทยคนเป็นดนตรีไทยเนี่ยสมองดีสมเด็จพระเทพรัตนาราทุดาสยามลุมได้ทเพลงไปเลยร้อยเพลงเพลงไทยไปทรงอนาที่ยุโปรปพลางชอบใหมากก็ขอฝากไว้เถิดท่านทั้งหลายมีบุตรธิดาสวดมน์ภาวนาลูกดีหมดทุกคนสามีเคยเจ้าชู้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 การเมืองก็ขายยาบ้าจะหมดเลยครูก็ขายยาบ้าตำรวจก็ขายยาบ้าจะหมดได้ยังไงวิธีแก้ยอมเป็นพ่อเป็นแม่สวดมนต์ภาวนานดูลูกเขาไว้พาหุ่มกาแเลยเจริญกรรมฐานลูกกลับร้างใจดีหมดลูกติดยาบ้าไปสามคนจะไปโลกเด็กอีกค น, นพ่อแม่ก็สวดมนต์ภาวนานจเจริญกรรมฐาม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 ก็ได้เห็นตัวตายไหมคลาจิตถี่ไหมดั่มนิบชอบไหมก็จะประกอบภูษณ์ได้ผลงานเป็นหลักฐานสาคัญได้เราจะรู้กฎแห่งกรรมได้เห็นคนอื่นเดินมาเนี่ยศีรษะลงไปลายเท่าปท้าศีรษะพระภิกษมันจะบอกคนเนี้ยนิสัยดีคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้คบไม่ได้คนนี้กําลังมีชู้ไม่เคยพลาดดูด้วยปัญญาคนหัวไม่มีต้องตายคืนนี้นี่ยมีประโยชน์ในธุรกิจ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 วิ่งเข้ามาบ้านนางสาวพระดาวดาพระตายาววียงให้แล้วก็ไปเลยเขาหมวยจับหนังสือดูเอาไม่รู้สุนัขไปแล้วในรุ่นมาข้าวแล้วก็พิมพ์มาให้ถูอวัดหมดนานเนี่ยหลายรุ่น็มทีเนี่ยแล้วลเขาก็แจกไปในงานแสยิปทำบุญให้เตี่ยในเตี่ยก็ตายไปนานแล้วเดยวหนังสือนี่ก็มีชื่อเสียงมาพิมพ์ที่ขอนแก่นก็ไม่เหลือ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 ลูกเป็นแพทย์สักคนเป็นหมอสักคนเป็นศาสอาจารย์ทุกคนเห็นไหมมาหมืวันศืนสามีก็มาเดี๋สนใจกับลูกเขาไม่สนใจเรื่องวัดแต่ภรรยาสวดมนต์ภาวนาและนั่งกรรมาฐานทุกวันลูกดีหมดเลยเป็นด็อกเตอร์สามคนแหละตั้งใจเรียนตลอดเลยแล้วกัลูกก็สวดมนต์ด้วยข อ, ขอเจริญพรคนมีบุญวาสนา เกิดเองโดยอัตโนมัติลูกก็ดีมีปัญญานาำแหลมไครเสีย้ยมานาวกลมเกลี้ยงไครเปิกกลึงออกมาแหลมมาจากทองแม่ว่านอนสอนกงงายเ็ราเหตุใดหรือเราเป็นสา ม, มีภรรยากันนะสวดมนต์ไหว้พร ะ, จะเจริญกรรมาฐานใจสะอาดใจดีใจมีเมตตาอรีเอือ้อเฟื้อสา ม, มีภรรยาไม่ทะเลาะ ก, กันเลยสะอาดนะ่าปราดมาเกิด บ้านไหนทะเลาะ ก, กันคิ่เหล้าเมายาใจสกรปกสรกสาัดรลกมาเกิดเที่ยงพอ่อเทียงแม่ทำไม่ตก้ า, า, าว่านอนสอนยากตลอดเลยการถ้ายมปฏิบัติได้อย่างที่กล่าวบุตรธดาและลูกหลานจะว่านอนสอนง่ายพูตก็ต้องเชื่อฟังแน่นอนไปไหนก็ไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนหนอบนอประตันดูเชิดชูระเบียบเรียบเดียวินยคุณหนูจงตั้งใจศึกษา นำมาพนทุกแบ็งสุกอ น, นันเป็นหลักสำคัญหนูจำใส่ใ จ, ใจนี่ปีนี้เขาจะมาเป็นดอวเตอร์้อยสิบเคนผู้หญิงมากกับผู้ชายทั้งอิสลามและคริสต์ด้วยแล้วก็ไปยิงอาโทรผู้หญิงไดเรีย น, นเน อ, เอสอบเข้าพูดภาษาได้สิบเอ็คนตอนนี้ทำหน้าที่พูดภกษาหญิงนำมานี่เป็นประจำบอลงพ่อ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 นั่งกรรมาฐานและตั้งใจขอให้เป็นผู้ภาษาให้ดดบด้วยคำอธิษฐานของเขาบอหลวงพ่อคะหนูได้เป็นผู้ภาษาแล้วแต่งเครื่องแบบมาโอวดแล้วสมใจนึกที่อธิษฐานไว้สวดมนต์เป็นที่อธิษฐานสิตเป็นประจาเอาพุติกรรมของก็แผ่เมตตาอย่าภูกใจเจ็บใครไว้ในใจให้มันโง่โกรดไว้ในใจใ ห, ให้ให้จิตใจเลวร้าย อย่าให้อารมณ์ค้าอารมณ์ดีตลอดเลยการยมจะทำอะไรมั่ ง, ม, ง, ม, งมีที่สุดถ้าขายก็รวยขายที่ดินก็ได้ไม่แปลผันเปลี่ยนแปลงจะปรการใดขอให้ทำตามนี้นหนูสอบพูดภาษาได้ที่เบคนมาซืเดือนก่อนนี้ที่พามะเมื่อปีที่แล้วซึ่งปีสอบได้บัดนี้บรรจุหมดแล้วฝึกซ้อมหมดเรียบร้อย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 ไอ้สติที่นั่งกรรมฐานเนี่ยมันเกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญานะไม่ใช่มา น, นั่งจะไปสวรรค์นิพพานนิยามที่โผขึ้นอย่างที่โยงเข้าใจไปตามบ้านตามวัดบางทีไปทําตามบ้านตามวัดก็ไปกันทั่วไปอนะแต่จเจริญกรรมฐ า, านได้จะไดเกิดอะไรขึ้นหนึ่งระลึกเหตุการณ์ชวิตได้สองรู้กฎแห่งกรรมทันทีสามแก้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุบันแก้ได้ ไม่อยู่แล้วสร้างความดีนะ่ะยากโยมหนือยลาบากมากไม่จะมานั่งทำมาตรฐานสบายนะมาสร้างความดีเป็นศัตรูชีวิตจะมาพูดมานานเนะี่ยไม่มีใครสร้างง่ายมาไรแต่ความดีเนะีสองสร้างความดีเป็นอุปสรรคขัดข้องสามสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากมากมายไม่ลําบากไม่ได้ดีแล้ว